ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประสติญาณในวันนี้ก็คงนําเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าสัตว์เล่าแก่พระสงฆ์ถึงการกระทําของพระองค์ในขณะที่แสวงหาสมมาสมโบธิญาณอยู่เพราะเหตุการณ์ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่รู้ด้วยพระองค์เองอยู่แม้แต่ให้ท่านปัญญวคีเล่าก็เล่ายากนะครเพราะว่ามันเป็นความคิด เป็นความดำริของพระองค์อยู่ภายในพระไทยของพระองค์เป็นประเด็นที่น่าศึกษาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ในการต่อมาก็นําไปสอนแล้วก็ทรงแสดงแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนในตอนท้ายธรรมจักรวัตรนาสูตรข้อความตรงนี้ก็อยู่ในวันก่อนเราพูดถึงพระปรมสูตรนะฮะในติการนิบาตของคุณตรนักายอันนี้ก็อยู่ในทุติยสูตร สมโพชิวัติกานิบาตังคุตรนิกายเหมือนกันก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราเลยเที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหารสอร่อยคือเครื่องล่อใจที่เราเรียกว่าอัสาธาของโลกเราได้พบรสอร่อยของโลกนั้นแล้วรสอร่อยในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้น พิสูจทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อสแสวงหาได้พบโทษคือความไร้กาศของโลกและเราก็ได้พบโทษของโลกนั้นแล้วตทษในโลกนี้มีเท่าใดเราก็เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นแต่ก็รักษาถึงทางออกโดยข้อความอย่างเดียวกันนะฮะว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อสแสวงหาายเครื่องออกจากโลก เราได้พบอุบายเครื่องออกจากโลกนั้นแล้ววายเครื่องออกจากโลกไม่อยู่เท่าใดเราก็เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราท่านั้นก็แสดงว่าข้อความเช่นเดียวกันนั่นแหละกับในพระป ร, รมสูตรแต่ว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนถึงตัวตัวรสอร่อยนะ หมายความมันจะเปลี่ยนเป็นลาบก็ได้ยศก็ได้สันเซิ่ก็ได้สุขก็ได้รูป ร, ปรปเสียงกลิ่นรสปวดตาฟ้าธรรมารมก็ได้ก็แล้วแต่แต่จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเป็นหลักการสําคัญอย่างหนึ่งในการครองชีวิตของคนที่ต้องการโดยเสด็จรอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าหนะมายความว่าก้าวพยายามก้าวเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกันที่นําพระพุทธเจ้าไปสู่การสัตรู้ก็คือเวลาสัมผัสอะไรเนี่ย อย่าไปตั้งความหวังไว้ในด้านใดด้านหนึง่งสิ่งเดียวกันนั่นเองต้องเห็นทั้งลักษณะเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษแล้วก็เห็นทั้งทางออกไม่ใช่ไปกำหนดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันเรงความจริงของสิ่งเหล่านั้นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าในพินหนาปัจเจเวกขณะที่ทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาบ่อยๆพิจารณาหนึ่งนี่ค มันก็มองซ้อนกันไปในจุดเดียวกันนั่นเองคือไม่ได้เล็งผลเลิศในจุดใดจุดหนึ่งเช่นสมมติว่าเขาตักอาหารมาเนี่ยอาหารดีเรียบร้อยไม่มีพิษอะไรเรารู้เท่าทันเรงความจริงว่าอาหารนี้ก็ตักมาให้แล้วต้องรีบรับประทานถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเย็นจะไม่อร่อย แล้วจะนานกว่านั้นมันจะบูดคือจะเป็นอันตรายวันทางออกก็คือรีบรัประทานจบเราก็ได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นตามสมควรแก่ทานะของมันแต่ถ้าเราทิ้งเอาไว้อย่างน้อยก็ลดความอร่อยลงไปและถ้าทิ้งไม่นานกว่านั้นก็จะเจออาหารที่เป็นพิษในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตแดง คือมีคนมาพูดเรื่องสารพิษในผักเนี่ยให้ฟังบ่อยแล้วกันแล้วประเดียมาเกิดเป็นโรคอย่างหนึ่งคือเวลาลุกเนี่ยเวลาลุกกับก่อนจะนอนหน้ามืดอยู่หลายวันไปตรวจโรงพยาบาลหมอบอกว่าความดันมันลดลงไปความดันมันตำ่ำจะวหมอก็สั่งบอกว่า ให้เรามัดระวังเรื่องอาหารโดยเฉพาะผักสดเพราะว่ามีสารปนเปื้อนเยอะ เ, เรียกว่าสาสตร์เพราะไอม้มันมีสารที่เป็นพิษอยู่เยอะแล้วพอดีพวกเจ้าหน้าที่ที่สยามรัฐก็มาเตือนเหมือนกันบอกหลวงพ่อเรามัดระวังนะผักเนี่ยที่บางแห่งเนี่ยมันฉีดยาอะไรล่ะ กันเน่าเลยกันกันเขี่ยวฉีดมาแล้วก็มาสดๆกันมาเลยนะฮฉีดมาสดๆกันเลยดูสวยน่าซื้อน่ารับประทานอันนี้อันตรายมากถ้าจะรับประทานก็เอาพวกผักที่รอยสัตว์มันกินมั่งนะฮะก็กินร่วมกับสัตว์จะปลอดภัยกว่ากินร่วมกันเฉพาะ <c oughs> กับไอสารที่เป็นพิษ อันนี้คือคือหมายความว่ามองให้เห็นโทษเขาด้วยไม่ได้มองเฉพาะด้านที่เป็นคุณอย่างเดียวสัมผัสอะไรเขาต้องนึกถึงสภาวะที่แท้จริงของเขาเช่นความหวังอย่างเนี้ยลองสังเกตว่าความหวังนี่ยเราจะผิดหวังเยอะแต่เวลาเขามาเล่าอะไรเกี่ยวกับความหวังเนี่ยมันก็เพ้อฝันนะคือเราไปตั้งความหวังเอาเกินไป ที่จริงความหวังเนี่ยมันมีได้ยี่ิบ้าเปอร์เซ็นตเ่นเองถ้าเราจับให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่ามันมันมันมีประตูออกในแต่ละคราวในแค่ยี่สิบ้าเอร์เซ็นท่านั้นเองไม่มีความหวังของใครที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตหรอกเช่สมมติว่าเราตั้งความหวังให้ถูกหวยก็ได้เอาให้ถูกสลากกินแบ่งก็ได้มันก็บางทีก็อาจจะได้ตามที่หวัง แต่โอกาสยากนะฮะบางทีในส่วนใหญ่นี่จะผิดหวังเลยส่วนหนึ่งอาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอาจจะได้เกินจากที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ว่าไอ้เกินในเราตั้งเป้าหรือได้ตามที่หวังเนี่ยจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังก็ได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งตามเหมาะตามควรปรัญหาว่าทําใจได้ไหมถ้าทําใจไม่ได้เราก็มีปัญหาเอง แต่ทำใจได้เราก็ไม่มีปัญหามันก็เหมือนกับแขกมาเยือนเนี่ยถ้าเราไปตั้งความหวังสมมุติเราพ่อแม่มาที่บ้านในตองการที่พ่อแม่อยู่นานๆแล้วก็ดูแลอกอกใจท่านทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าท่านบอกว่าท่านมาสองวันสามวันนท่านจะกลับคือถ้าเราไปปักใจว่าท่านต้องอยู่สักห้าวันแล้วพอท่านกลับสามวันเนเราก็อึดอัดได้เดือดร้อนแล้วไม่สบายแล้ว แต่ถ้าเราในขณะที่ท่านมาเราทําหน้าที่ของเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกที่ดีดูแลท่านให้บริการสะดวกสบายด้วยประการต่างๆแก่ท่านท่านจะอยู่นานเราก็ดีใจนะฮะท่านจะรีบไปเราก็เข้าใจใจเราสงบเย็นภารกิจอันใดที่ควรทําในฐานะลูกในฐานะเจ้าของบ้านเราทำนะแต่เมื่อท่านจากไปภารกิจใดที่เราจะต้องทาหน้าที่ ในการในฐานะผู้ส่งเราก็าช่วยส่งท่านนะก็จบเราจะได้ความสบายใจสีไอลักษณะการการอย่างเนี้ยมันส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดจากการใช้อารมณ์ใจตนเองนะใจตนเองไปตั้งความปรารถนาแล้วต้องได้แต่ไม่ได้ก็เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปเดือดร้อนคนอื่นก็ตายเลย เพราแนวแนวตัวเนี้ยที่ที่พูดแต่พินาศเป็นจักรวะก็กกยังไม่ได้ยกตัวอย่างมาอีกหนึ่งให้เราตั้งใจที่จริงมันธรรมดามากแต่ว่าใจเรารับไม่ได้เลยสักอย่างเนี่งนะชราธรรมหีเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้พอเรแก่เนี่ยไอ้แก่ตอนที่แก่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ชอบแต่พอแก่พออายุเลย มากๆแล้วเลยห้ากสิบไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบใครไปพูดเรื่องอายุแล้วก็โมโหเลยถามทำไมนะเพี่อนก็ถามดีๆเนี่ยอย า, ายุเท่าไรที่จริงเนี่ยกิดโดยโดยปกติก็แต่มาเองก็ชอบถามนะฮะเพราะว่าคือเราถือว่าญาติโยมเนี่ยก็เป็นเป็นคนร่วมโลกที่ว่าเราต้องให้ความเคารพเขาว่าถ้าอายุเขามากเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพเป็นพิเศษเหมือนกันไม่ใช่ว่า เราเป็นพระแล้วไม่เคารพใครเนี่ยไม่ได้กันก็ต้องถามอายุอานามเขาวันนี้เราอายุหกสิบข้าวสิบหกเนี่ยเราก็สบายนะครับไปอบรมข้าราชการเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเรารุ่นพี่เขาแต่ถ้าหากว่าตอนเราหนุ่มๆเนี่ยนะเราก็ต้องสอบถามเรื่อยๆอาจารย์อายุเท่าไรแล้วนะเพื่อรู้ว่ามีผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นบางทีไอ้ข้อความอาจจะต้อง ครูนั่งคุยกันแต่ไปอบรมเรานั่งคุยกันบางทีอาจจะดูเอาแต่ว่าผู้ใหญ่เขานั่งอยู่เราก็ให้เกียรติผู้ใหญ่อะไรเนี่ยแต่ยังหนึ่งในการพูดถึงอายุที่จริงมันเป็นอนุสติมันเป็นการย้ําเตือนนะว่าชีวิตเราเนี่ยเดินใกล้ความตายเข้าไปเพรา ะ, ะนั้นเวลาทรงสั่งสอนเราศึกษาในเรื่องนี้ทรงใช้คำสามคํา เอวังธรมโมเอวังพาวีเอาาวังอนัติโตนี้จะเจอบ่อยที่วังธรมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังพาวีสภาวะมันเป็นอย่างนี้เอาาวังอนัติโตไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วพอถึงตรงอื่นก็ทงใช้ทรงใช้ประโยกน์เดียวกันเรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไายไปได้ ไอ้ตรงนี้อีกอะที่จริงมันเป็นทุกจอรคือถ้าเราเตรียมใจเตรียมกายเตรียมใจเอาไว้นะะคนเราเวลาป่วยเนี่ยถ้าตั้งหลักให้ได้แล้วไม่มีอะไรนะคือวันก่อนยางดีใจลูกศิษย์เขาเป็นรู้สึ ก, กว่าผู้ช่วยนะแล้วเขาป่วยหนักมากเข้าขั้นโคม่าเลยถต่ไามารู้สึกยังไง เราก็หายมาแล้วถามรู้สึกยังไงคิดยังไงมาถึงจุดตรงนั้นว่าไม่คิดอะไรนะใจสงบสบายแล้วก็รู้สึกมีญาติพี่น้องเพราบญาติพี่น้องอะไรเยอะเป็นๆพวก เ, น, เ น, นี้ยพวกก็ เ, เรียกว่ากรร ม, มารมกา ม, มานิมิตารมกรมตินิมิตารมมันปรากฏแต่เขาเองก็สงบเขาเปความมั่นใจมันก็ไม่มีอะไรอ่นะ เพราะว่าอาการเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าตายเมื่อไหร่ก็ตายแต่ว่าแน่ใจว่าตายแล้วไม่ตกนรกก็พอแล้วจะบรรลุมรรคผลเป็นพระรยบุคคลนั่นก็ได้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำยังไงอย่าไปตกนรกปิดประตูอบายให้ได้เราก็เพิ่มพูนบุญกุศลขึ้น อย่างนี้สมมติเราทำใจกับเกี่ยวความแก่ความเจ็ความตายได้เนี่ยมันก็เป็นอนุสตินะเป็นมนานุสติเป็นกายกตาสติก็ทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างและพวกนี้ที่จริงดีกว่าให้ทานเยอะนะฮะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในเวลามาสูตรเนี่ยพวกนี้พวกพว ก, พวกอนุสติทั้งหลายพวกสัญญาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็อะไรล่ะ เป็นทุกข์ัดสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอะไรตระหนี่ก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะกาหนดในแนวอะไรก็ได้แต่วันนี้เป็นพูดองค์รวมเลยพูดว่าตัวเราเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเอาธรรมดาสมธรรมดาเนี้ได้แตก่อน เพราะอะไรเพราะตัวนี้มันเป็นผลซึ่งเกิดมาซื่มเรื่องมาจากเกิดถ้าเราไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายก็ง่ายนิดเดียวนะอยากเกิดมาก็จบแล้วตัวนี้ตอนนี้เขากำลังสอนธรรมะพระใหม่อยู่เวลาถึงบทแยกธรรมะออกมาสามประเภทเนี่ยคือชอบแยกออกไปเป็นให้เห็นว่าท่านนี้ธรรมะคือหน้าที่โดยกําเนิดสามารถตรงนั้น ตรงนี้ยเราต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเกี่ยวข้องสมบัติกับเขาเท่านั้นเองธรรมะตรงนี้เป็นคุณธรรมพระเจ้าทรงแสดงในฐานะเป็นคุณและแสดงในฐานะเป็นโทษแล้วแสดงทางออกให้ทางออกจากโทษเนี่ยออกยังไงแล้วทางให้เกิดคุณเนี่ยเกิดยังไงแต่พระเจ้าก็เสกให้เราไม่ได้เพราะงั้นบางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องทําได้นะ เ่นหน้าที่ระวังสามีกับพัญญาถ้าเราไม่มีพัญญาไม่มีสามีก็ไม่ต้องทำแต่ว่าหน้าที่บางอย่างเนี่ยไม่ทำไม่ได้เราต้องทำเช่นว่าหน้าที่ของพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยต้องทำอย่างวันแม่วันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่เนี่ยต้อนึกดูวดีตามปกติเราจะพูดสะดุดีแต่แม่ โดยแม่ได้ย้ำเตือนแม่ว่าแม่น่ะก็เป็นลูกด้วยนะแม่ทำตัวกับยายอย่างไงเป็นลูกที่ดีกับคุณยายคุณตาอย่างไงบ้าทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างหน่อยที่เพราะงั้นถ้าแม่เป็นแบบอย่างให้แล้วลูกเนี่ยไม่ยากเย็นอะไรหรอกแต่จะสอนให้แกสำนึกกตัญญูลูกคุณของแม่เพราะแม่จึงต้องเป็นแบบให้ตัวนี้ที่จริงมันก็เป็นแบบให้เราจะเห็นว่าคนก็แก่ให้เราดู คนก็เจ็บไปเราดูคนก็ตายเราดูแสดงว่าคล้ายๆก็บอกเรานะฮะว่าเธอก็จะเป็นอย่างนี้นะวันนี้ฉันเป็นต่อไปเธอก็เป็นวันนี้ฉันป่วยต่อไปเธอก็ป่วยวันนี้ฉันตายต่อไปเธอก็ตายเพราะฉะนันตรงนี้ที่จริงก็เป็นครูเราเข้าไปสู่สำนักครูเราจะเรียนด้วยอะไรเรียนชีวิตในแนวของทุกขัสัญญาก็ได้นะ อสุภาพสัญญาก็ได้อสุภาพสัญญาก็ได้แล้วก็เรียนแบบอันนีจ้จะสัญญาหน้าตาสัญญาคือมองในแง่ของความไม่เที่ยงก็ได้แง่ของความเป็นทุกข์ก็ได้แง่ของความเป็นน้าตาก็ได้แง่ของความไม่สวยงามก็ได้มไมดกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ตอนนี้ที่จริงมันก็เป็นอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละแต่ว่าเป็นการปรับฐานใจก็ <S <S เรียกพินหจปัจจเวคขณะคือเอาคิดบ่อยๆมารูบ่อยๆ แล้วก็ปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับความจริงพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้าความจริงตรงนี้แหละว่ามันเป็นอย่างนี้เองพอมาถึงเรื่องอะไรละเรื่องการพลัดพรากสูญเสียยิ่งนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยสิิงทั้งหลายมันเริ่มจากการเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้มีเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เราไม่มีเราไม่เปลี่ยนมันเริ่มอย่างนั้นทางนั้นเลเสร็จแล้วเราก็ได้เราก็มีเราก็เปลี่ยน ต่อไปในอย่างช้าที่สุดนี่นานที่สุดนี่คือเราตายจากเขาหรือเขาจากเราไปก่อนสำนวนจีนที่บอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลริกลาถึงจะส่งหรือไม่ส่งมันก็ต้องพลากจากแสดงถึงอนิจจาวะที่มันมีอยู่ในสัตว์ในสังขาในสิ่งตั้งหลายในการเวลาตังางๆนี่ก็มีอยู่มากมาย เพรลักษณะเหล่านี้ผู้เจ้าก็ทรงมองเห็นตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าแล้วรับสั่งเล่าเพื่อย้ำเตือนให้เห็นว่าตรงนี้มันคือสัธจธรรมและถ้าไม่ทรงรู้เห็นอย่างนั้นในการต่อมาพระองค์ก็ไม่ปฏิญานสถานะของพระองค์ว่าเป็นอรหันตสมาสุท ธ, ธาในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้น สำนวจตรงนี้ก็เป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักว่าธรรมะนั้นเป็นสัจธรรมไม่ใช่ใครเอามาพูดเล่นวันก่อนก็ดีใจนะฮะไปพบกับหมอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปอ่านบทความของพระมนูเมตา น, นโุโธวัดราชโอรสารามพระหลงนี้เขียนหนังสือตีเดียวดังเลยดังเีจะถูกบอยคอร์ดเอาอ่ะ ตู้สึกว่าพระก็ตื่นตัวว่าเออพระอาศัยร่มเงาศาสนาเราเรียนศึกษาได้สถานะอะไรตะไรจะสังคมมากมายก่ายกองโดยอาศัยรูปแบบของความเป็นพระแต่เสร็จแล้วมาเขียนหนังสือเล่นงานาศาสดาตัวเองบิดเบือนพระพุทธเจ้าเยอะไปหมดเลยหมอเขาอ่านแล้วเขาก็สอบถาม ก็บอกเขาจะเขียนในกรณีของเขาวิหมอคนนี้วินิจฉัยโรคหมอคนนี้เขารักษาโรคมาจนอายุร่วมเจ็ดสิบแล้วแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรละ่ะช่องท้องเกี่ยวกับลำไส้เหมือนกันแล้วหมอที่เขียนเนี่ยเป็นหมอที่เรียนจบมาแต่ว่าไม่ได้รักษาแต่ท่านบอกท่านจะเขียนนะก็บอกก็ดีที่จะขออ่านดูด้วยแต่เราก็คงจะไปวินิจฉัยเรื่องโรคไม่ได้แล้ว แต่เราก็เชื่อในประสัพพัญญุตญาณ น, นะฮะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนนะ่ะเพราะว่าข้อความต่างๆนี่มันบ่งบอกอได้อย่างชัดเจนเพราะในช่วงหลังก็รับสั่งเล่าถึงว่าตลอดภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้เท่ารสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยคืออะไรเป็นอะไรนะอะไรเป็นอะไรนั่นเองก็แบบสัจจญาณนนะ่ะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้โทษโดยความเป็นโทษรู้สถานะสิ่งเหล่านั้นโดยความที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็รู้ทางออกอุบายวิธีที่มันเครื่องสลัดออกว่าเป็นอุบายที่วิธีที่สลัดออกตามความเป็นจริงตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญนะฮะที่จริงก็คือทุกสมุทยัยแล้วก็นิโรธแต่ว่าโน้มเอียงไปทางให้เห็นว่ามันพูดถึงมรดด้วยนะพูดถึงมรกอยู่ด้วย ก็รับสั่งว่าตลอดเวลาเพียงนั้นแหละเรายัางไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ศัต ร, รูรเฉพาะเฉพาะซึ่งอนุตตรสมาสมพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมและในหมูสัตว์พร้อมทรรมสำนนภาธรรมนาพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ส่งย้ำคล้ายๆกับตอนท้ายของธรรมจักวรธรรมสุรเหมือนกันนะฮะที่จริงข้อความเนี่ยเกือบจะเหมือนกันทุกตัวสษร เขาสังว่าเมื่อใดเราได้รู้ยิ่งซึ่งรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยรู้โทษของโลกโดยความเป็นโทษรู้บายเครื่องออกของโลกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามความเป็นจริงเมื่อนั้นแหละเรารู้สึกว่าเป็นผู้ศัตรูพร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสมาสัมปทิยานในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสำนนพราหม์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ นี่คือแสดงให้เห็นว่าความจริงตรงนี้มันมันเป็นผลมาจากการสัจสรูก็หมายความว่าในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่รู้สัจสรู้นี่แด้เข้าถึงสัจธรรมในระดับของของโลภยธรรมนะฮะรู้จักโลกียธรรมชัดเจนนะเช่นของทั้งหลายที่เราจะต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาเนี่ย เยวถ้าเราเสี่ยงใจยอมรับไว้เนี่ยคือตอนอยู่กับเราเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะไม่อยู่ก็จบกันกงินตอนนั้นเองคือไม่ต้องคุยหาอะไรอะไรคือเย้วใจไปเกี่ยวเกาะให้มากเยใจไปเกี่ยวเกาะกับอารมณ์เรานีห้มากแล้วก็ที่สำคัญอย่างก็แลยานะัศสนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัด น, นี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีกดังนี้ตัวนี้ก็เรียกยานันจาปาณเมรัสนัง อ, าาอุดาปาติอกุปเมวิมุตติอเยมันติบายาตินาธิดานิปุนาภวกก็จะออกมาอย่างนี้ตลอดมีโยมบางคนเ็าบอกบอกว่าพระพูดชอบยกบาลี อพระไม่ต้องกลัวเรายกบาลีเนี่ยก็แปลให้แต่เวลาเวล า, วลายมยกภาษากระววังไม่เห็นแปลให้ก็นั่งยิ้มแป้นต่อยกบาลีแล้วก็งุดเงินคือบาลีเนี่เราต้องยกนะฮะยกต้องเข้าใจเลยว่าต้องยกเพราะเราทําหน้าที่เป็นเด็กรับใช้เป็นราชทูตอ่านราชสารของพระพุทธญาณราชสารว่ายังไงอธิบายยกมาก่อนเขาเรียกเป็นอุเทศเป็นบทที่ต้องยกขึ้นมา เราไม่พูดเราเองแล้วคนก็สามารถจะมองเชื่อมต่อไปได้จ้งกำบังอธิบายกับไมคิริอยู่เนี่ยเราก็ยกคิริขึ้นมาก่อนคิริพระพุทธเจ้นิยามไปอย่างไงแล้วอธิบายไปมันก็สอดคล้องกับบทที่เรายกมาจากที่ทรงนิยามเอาไว้ไมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลังจากนิพผ่านแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่โดยพระรูปกายไม่ว่าในสถานที่ใดก็ตามแต่จะปรากฏอยู่ด้วยพระคุณ คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาซึ่งชาวโลกสามารถสามารถสัมผัสได้ทุกคนทุกแห่งแล้วสมมติว่าคนทั้งโลกเนี่ยรวมเจ็ดพันล้านในปัจจุบันนีสัมผัสพระพุทธคุณได้หมดเต็มเปรียบหมดพระพุทธคุณก็ยังเหลือเท่าเดิมนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธคุณแต่ก็เราเป็นนามธรรมาแต่ว่ากระทาจริงแล้วอย่างพวกนักถือพระเจ้าเนี่ยฮะบางทีเขก็พูดในลักษณะพระเจ้าสิงสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งเหมือนกัน แต่ว่าพราะคุณเนี่ยเชื่อมันอยู่ภายในใจเราทุกคนมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งมีความบรสุดอยู่ระดับหนึ่งมีความเมตตากรุณาอยู่ระดับหนึ่งจ่ทำยังไงว่าเพิ่มผูนให้ใกล้ให้ใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นไปอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณ์นภูตุชนก็ยางดีเพราะว่าจะมีปัญญาในการคุ้มครองตนรักษาตนได้ต้งฟังท่าไ แต่รมประพฤิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้ อ, องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี